เราก็ได้แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วก็แสดงความรู้สึกจากหัวจิตหัวใจออกมาก่อนที่เราจะจบช่วงของการแสดงความรู้สึกนะครับผมอยากจะให้ฟังพุธธทธพจน์นบทหนึ่งผู้ช่วยให้รู้อริยสัจนับเนื่องอยู่ในบุคคล ผูมีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายบุคคลมีอุปการะมากต่อบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีอยู่สามจำพวกเหล่าไหนาเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสารณะภิกษุทั้งหลายบุคคล น, นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล น, นี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธ ขามินีปฏิปทาดังนี้พิกษุทั้งหลายบุคคล น, นี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคล น, นี้พิกษุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคล น, นี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้แลชื่อว่าบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่น ที่มีอุปการะมากต่อบุคคลยิ่งไปกว่าบุคคลสามจำพวกนี้ภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลจะ ก, กระทาปฏิคาระได้โดยง่ายหามิได้แม่ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญเชลีการทำสามีจิ ก, กรรมและการ ตามถวายซึ่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจยะเพศสัชาบริขารแลร่บุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลคือบุคคลที่นำพาเข้าสู่พระรัตนตรัยเป็นสรณะคือมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์เป็นสรณะ บุคคลประเภทที่สองก็คือบุคคลผู้ที่ชี้ทางอริยสัจสี่ให้ประจักษ์แจ้งเพราะนั่นคือทางแห่งพระนิพพานบุคคลประเภทที่สามคือผู้ที่สามารถชี้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทาให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์บุคคลทั้งสามจำพวกสามประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเรา ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้าย <c oughs> ที่เรามาข้าวคอดในการปฏิบัติซึ่งทางภายนอกเขาสนุกสนานกันสาดน้ากันอะไรกันดื่มกันเที่ยวกันแต่เราก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันเรามาที่นี่ เราก็ได้รับน้ำทำให้จิตใจของเราได้รับน้ำคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของโลกเราก็ได้มีความเย็นขึ้นมาในจิตใจของเราได้และเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอันนี้คือ การสงกรานทีนี้อีกคําหนึ่งที่หลวงพ่อพู้เราว่างว่างก็อยากให้ทุกคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเงี้คนที่ยังไม่ได้แต่งงานในทางโลกก็ให้ทุกคนทั้งสองพวกนี้แหละไม่ใจเลือกกันกับสามีกับภรรยา แต่ว่าให้ไปแต่งงานกันใหม่แต่งงานกับนางสาวสุน ь ตานางสาวสุน ь ตาคือความว่างความว่างไม่ใช่ผู้หญิงความว่างไม่ใช่ผู้ชายความว่างไม่ใช่กระเทยแต่เราไม่มีคำที่จะเรียกก็โดยอยากจะให้ทุกท่าน ไปแต่งงานกับนางสาวชุญญาตาคือความว่างเมื่ออวิชชาดับคือจิตโง่ดับพอจิตโง่ดับดับแล้วก็ตัวที่สองก็คือว่างเพราะฉะนั้นเราต้องไปแต่งงานกับนางสาวชุญญาตาคือความว่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้โูงอายุ ไปแต่งงานกับความว่างเสีย้ยว่างจากราคะโรพะโทสโมหะแล้วเราก็จะมีจิตที่สงบเย็นต่อไปครอบครัวของเราคนหนึ่งก็ครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งก็ครอบครัวหนึ่งครอบครัวของเราคือชีวิตของตัวเราเองจะได้พบกับความสงบ ลองคิดดูถ้ามันว่างหมดมันเป็นยังไงถ้ามันว่างหมดมันก็สงบเมื่อกิเลสว่างหมดกิเลสที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาเราก็กำจับมันได้กิเลสที่เกิดขึ้นทางจิตเราก็บังคับมันได้กิเลสที่เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกเล่นกายใจ เสร็จแล้วเราก็บังคับมันได้ว่เราบังคับมันได้ก็จะทำให้อวิชชาดับเพราะเราปฏิบัติตามองค์มรรคแล้วก็ได้ปัญญาที่วิเศษมาแล้วอวิชชามันก็ดับเมื่ออวิชชาดับตัวความโง่ดับเราก็เริ่มที่จะมั่นแล้วมั่นแล้วมั่นกับนางสาวสุญญาตาแล้ว หมั่นกับนางสาวสุญญาตาต่อไปก็มั่นเสร็จแล้วก็แต่งแต่งงานกับนางสาวสุญญาตาเราก็เลยได้อยู่กับความว่างได้อยู่กับนางสาวสุญญาตาตลอดไปเลยทีนี้เราอยู่กับสามีภรรยานี่เราก็ไม่ได้คิดถึงกันตลอดเวลาแต่ว่าเราอยู่กับความว่างแต่งงานกับความว่างนี่ เราอยู่ตลอดเวลาเราเดินก็ไม่ได้คิดถึงภรรยาเราไม่ได้คิดถึงสามีเราไม่ได้คิดถึงลูกของเราแค่ว่าเราเดินกับภรรยาใหม่เดินกับนางสาวชุญญาตาเดินกับความว่างนั่งหายใจก็หายใจกับความว่างนอนก็ภาวนาอยู่กับความว่าง กินอาหารก็กินกับความว่างสวมใส่เสื้อผ้าก็สวมใส่เสื้อผ้ากับความว่างทุกอย่างอยู่กับความว่างเพราะว่าเราอยู่ในโลกว่างดูก่อนโมกกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างเมื่อจิตว่างสิ่งทั้งพวงมันก็ว่างหมด แต่เมื่อจิตไม่ว่างร่างกายก็ไม่ว่างตาหูก็ไม่ว่างสิ่งภายนอกก็ไม่ว่างใ้โลกนี้โลกภายนอกก็ไม่ว่างโลกภายในก็ไม่ว่างแต่งานกับความว่างกันเถอะไปแต่งานกับความว่างพอแต่งานกันอยู่ตัวแล้วเว้นทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วต่อไปก็สงบทีนี้อยู่กันสงบ ครอบครัวสงบเย็นครอบครัวของแต่ละคนแต่ละคนคือครอบครัวของกิตของใจตัวเองเนี่ยจะสงบทีนี้ใเรากดย้ายจากอยู่กับความว่างแล้วก็อยู่กับความสงบต่อไปก็ไม่ต้องแต่งแล้วเพราะมันดีขึ้นแล้วทีนี้พอแต่งแล้วไม่ใช่เราไม่มีลูกไม่มีหลาน พอแต่งแล้วเราก็มีลูกหลานเยอะแยะเพราะเราได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละนั่นคือเราได้เสื่อพันแล้วได้เสื่อพันคือพันแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงสุดเสื่อพันแล้วก็ทำให้คนนั้นไปปฏิบัติต่อไป ปฏิบัติต่อไปแล้วก็เสื่อพันกันต่อไปต่อไปก็เสื่อพันกันต่อไปดังนั้นพระพุทธศาสนาที่มีพระไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าศา ส, สนานี้จะตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่พระอรหันต์นี้จะสิ้นไปไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตราบใดที่ยังมีอริยมรรคมนองค์แปด บางครั้งที่ก็กรุบอริยมรรคมีองค์แปดมากเนี่ยเขาจะพูดว่าเมื่อยังมีพระอริยมรรคมีองค์แปดยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกนี้จะไม่สิ้นจักไม่สิ้นจากพระสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สามสมณะที่ ส, มสมี่ส สมณที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันที่สองก็พระสถิตาคามีที่สามก็พระอนาคามีที่สี่ก็คือพระอรหันต์ในศาสนาใดก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าในศาสนาใดก็ตามถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศาสนานั้น ก็จะไม่มีสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่จำเอาไว้เราทุกคนโชคดีมากที่มาเกิดในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอริยมรรคมีองค์แปดหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ปลิดปัญญาวิชาออกมา ปัญญาวิชานั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะประหารกิเลสเมื่อเราประหารกิเลสหมดแล้วแล้วก็จะสงบเย็นจิตที่ว่างจากกิเลสเป็นจิตที่สงบเย็นจิตที่ยังมีกิเลสเป็นจิตที่ยังไม่ว่างยังมีตัวกู้มันก็สงบเย็นบ้างไม่สงบเย็นบ้าง ในบางครั้งสงบเย็นแล้วก็ยังไม่รู้สึกยังไม่รู้ตัวที่นี่เมื่อเราภาวนาหรือเราอยู่กับนางสาวสุญญตามากๆจนกิเลสข้าวไม่ได้อะไรข้าวมามันประหารหมดอะไรก็ามาก็ประหารหมดเพราะกิเลสมันตายหมดเหี้ยนเตียนไปหมดมันก็เกิดความสงบเย็นนี่คือชีวิตที่ก้มข้า ที่เราทุกคนเกิดมาฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเอาแต่เรื่องเที่ยวเอาแต่เรื่องกินเอาแต่เรื่องสนุกสนานถามตัวเองนะนี่เท่านี้ที่เกิดมามันเท่านี้เลยเท่านี้สัตว์มันก็ทำได้เพราะว่าสัตว์กับคนไม่ต่างกันสัตว์ก็มีการเสพกาม มีความกลัวขึ้นมาก็มีการหนีพอยมีการหลับนอนมีการกินเหมือนกันทางนั้นแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่มันต่างกันที่ตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราแต่งงานกับนางสาวสุญญาตาแล้วก็ต้องเลือกกับสามีภรรยาไม่ใช่จุดที่ตรงนั้นผู้ที่ปฏิบัติ ตามลำดับขั้นตอนโสดาบันยังแต่งงานได้ยังอยู่กับครอบครัวได้สกิทาคามีก็ยังอยู่กับครอบครัวได้ยังอยู่กับสามีภรรยาได้แต่พอไปถึงพระอนาคามีจึงจะแยกกันแยกกันที่ตรงนั้นเพราะอนาคามีท่านละละความ พอใจและความไม่พอใจความพอใจและความไม่พอใจคือกามราคะกับปฏิฆะกามราคะก็คือความพอใจที่ดึงกมาหาตัวท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวทีนี้นอกนั้นมันก็เกี่ยวโยงกับกามราคะทั้งนั้นปฏิฆะคือความไม่พอใจว่าไม่พอใจก็คือความโกรธนั่นเอง เพราะฉะนั้นพระอนาคามีนี่ท่านละสองตัวพระโสดาบันละสกยติถิวิจิขจาศีลปตะปรามาตพระส ก, กิตาคามีเพียงเพียงทำโลภะโทสะโมหะเบาบางพระอนาคามีท่านละกามาราคะกะับปฏิฆะนี่คือทั้งสามนะตั้งสาม ทั้งพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีละได้หตัวหตัวแต่พระอรหันต์ท่านต้องมีงานหนักต้องละอีกห้าตัวรูปารัะอรูปการอรูปารกะรูปาระก็คือรูปฌานอรูปารากะก็คืออรูปฌานรูปารักะอรูประมานะ มานะนี่ทุกคนมีมานะทั้งนั้นเลยแต่เสร็จแล้วเราอยากคิดว่ามันจะเหมือนกันมานะในคําพูดของภาษาตลาดนี่ให้มีมานะไอมากมากก็หมายถึงความอดทนอดกลั้นอดทนแต่ว่ามานะในโลกุตระไม่ใช่อย่างนั้นมานะคือความถือตัวความถือตัวกูนั่นแหละตัวนี้แหละคือตัวกู ตัวกูดีกว่าเขาตัวกูเก่งกว่าเขาตัวกูสูงกว่าเขานั่นก็มานะตัวกูเสมอเขานั่นก็คือมานะตัวกูที่ด้อยกว่าเขาเร็วกว่าเขาเป็นคนชั้นต่ําเป็นคนสลัมนั่นก็คือมานะมานะต้องตัดมานะตัวนี้พระอรหันต์ท่านต้องตัดมานะตัวนี้ จังจะเป็นพระรันได้รูปราคะอรูปราคะมานะสามตัวนตัวที่สี่คืออุตต จ, จักอุตต จ, จัถ้ามีคำเต็มว่าอุตตจจกกุกุจันั่นคือความหลังเลใจแต่ถ้าตัวคำว่าอุตตจจกความทึ่งหรือว่าตกใจตกใจ พอคว้าแลบแล้วก็ผ่าเปลี่ยงลงมาตกใจไม่มีพระรหันจะไม่มีเพราะอะไรเพราะมันก็มีสติที่ไวมากเมื่อแลบมันก็ต้องผ่าเมื่อผ่ามันก็เป็นอย่างนั้นเราเดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องไปพอขึ้นเครื่องไปบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวเฉยๆแต่พอ ขึ้นเครื่องไปไม่ให่ตายจะเราคนเดียวในโลกนี้มันตายทางนั้นแหละมันตายทางนั้นจะตายบนอากาศหรือจะตายในทะเลจะตายบนภูเขาจะตายพระภูเขามาทับอะไรตายทางนั้นแต่ว่าพอเราขึ้นเครื่องไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวตายมันไม่มีกูภาวนาไปว่าถ้ามันเกิดกลัวขึ้นมา มันไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็หายไปหายไปแค่ใครมันจะตายมันว่างจากกูแล้วนั่นเราได้แต่งงานกับนางสาวสุญญตาแล้วนางสาวสุญญตานั่นก็เลยมาช่วยเราเพราะว่าไม่มีกูเนี่ยนางสาวสุญญตามาทันทีเลยคือความว่างมาทันทีเลยมันไม่มีกูไม่มีกูไม่มีกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาให้มันตรงตัวไปเลย ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างโอ้ยนี่เห็นไหมนางสาวสุนยตานี่จะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นคนรักของเร า, าเราอยู่กับนางสาวสุน ь ตาให้ตลอดเวลาอย่างนี้นเห็นไมความกลัวมันก็หายไปอะไรมันก็หายไปนี่คืออุทตัดจักอุทตัดจักคือความกลัวมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีกู เพราะมันมีกูถ้าไม่มีกูแล้วอุตจตจะจะกลัวหรือจะตกใจเกิดไม่ได้มันจะเกิดไม่ได้เพราะตกใจแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูกเพราะตกใจแล้วเห็นไหมมันขาดหมดธรรมะที่เราปฏิบัตินี่ขาดหมดเพราะขาดสติมันก็ขาดหมดหละสติเปียบเหมือนมือเหมือนมือทีนี้ปัญญาก็เปียบเหมือนกับมอยโขกโฟนตัวนี้ นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีมือแล้วเราก็จะจับไม่กูขวนมานั่งพูดได้ยังไงทีนี้สติคือมือปัญญาคือสิ่งต่างๆที่เรามาศึกษาเราปฏิบัติเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเอาไว้พอเกิดกลัวขึ้นมาไม่ใชกูไม่ใจกูว่างว่างว่างว่างว่างางนั่นคือเราดึงปัญญามาสตินั่นแหละดึงปัญญามา ดึงจันปัญญามาแล้วอาก็มาเอามาใช้งานเลยทีนี้ถ้ามันขาดสติหมดทุกจริงทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอามาใช้ไม่ได้เลยที่ไปศึกษามาไปเรียนมาไปปฏิบัติมาไปนั่งสมาธิมาไปอะไรมาเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะมันขาดสตินี่คือมันขาดสติดังนั้นเมื่อเรามีสติเราก็ดึงปัญญามา ดึงตัวหน่ยมาเอานางสาวชน ญ, ญาตามาพอได้นางสาวชน ญ, ญาตามาแล้วก็สบายนั่งสบายอรไรสบายสบายหมดทีนี้พอต่อไปยิ่งสบายยิ่งขึ้นพอยิ่งไปถึงตัวสงบนั่นก็ยิ่งสบายยิ่งขึ้นคือมีความสุขก็เรียกว่ามีความสุขสุขเย็นสุขนั้นคือสุขเย็นสุขเพราะว่าไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนนี่เรียกว่าอุทธัจจ อุดทัต จ, จัคนที่กลัวใส้เดือนกลัวแมลงสาบกลัวตุกแกกลัวไอตัวปาดตัวอะไรอย่างเนี้ยนั่นคือยังมีอุททัต จ, จัอยู่มากโวยวายมากอะไรมากเนี่ยคนที่มีความกลัวไอพระอรหันทรละอุททัต จ, จักระอุดทัต จ, จัแล้วตัวสุดท้าย ก็คือละอวิชานั่นแหละอวิจาอาวิจาคือตัวหัวหน้าของตัวกูนะั่นตัวกูก็คือไอ้ตัวกูนั่นแหละนั่นไอ้ตัวที่สำคัญที่สุดแะนั้นพระอระหันต์ท่านละ อ, อย่างรูปราคะรูปราคะมานะอุทัจักอวิจาเมื่อท่านละแล้วท่านอยู่กับอะไร ถ้าอยู่กับความสงบเย็นแล้วทีนี้ว่างแล้วก็สงบเย็นทีนี้ดับว่างสงบเย็นทุกคนจะต้องจำเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติไปตามสโลกแกนนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาดึงมาใช้เลยทีนี้นันสติในสัมมาสติแล้วก็ในสติปัฏฐานสี่ต้องทำให้มากๆกก็จะได้มีสติดึงปัญญามา ถาขาดสติปัญญาก็ขาดบทไม่มีอะไรเหลือนี่คือคำสั่งคำสั่งสุดท้ายที่ท่านมาข้าวคอรปฏิบัติก็คือให้มีสติแล้วก็แต่งงานกับนางสาวชุญญตาไปอยู่กับนางสาวชุญญตากินกับนางสาวชุญญตานอนกับนางสาวชุญญตาคลุกคลีอยู่กับนางสาวชุญญตานะ และนางสาวสุญาตานจะช่วยท่านขอให้ความสุขความเจริญในธรรมะทุกๆข้อจงมีในจิตใจของท่านเพื่อจะดับทุกระงับเวตต่างๆแต้ก็อยู่ด้วยความสงบเย็นทุกทิพาราตรีการเติอน สิน8ปกับบ้านอะสมาทานสิน5นะครับขอ่าสินแปดมาอยังพันเตติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะตาทียมปิไมยังพันเตติสรณเนสหปัญจศีลานิยาจามนานะโมตัสา萨婆คุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ นาโมตัส萨ภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส萨นาโมตัส萨ภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส萨 พุทธังเซระังกัจจามิธมังรนังัจจามิสังฆังรนังัจจามิียัมปพุทธังรังัจจามิทียัมปธมังรังกัจจามิ ตาทียัมปีสังขัง g จรนังกัจจามิตาทียัมปีพุทธังสจรนังกัจจามิ a า m ียัมปีธรรมังเรนังกัจามิาทียัมปีสังขังเรนังัจามิ อานาติปตาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาตินาธานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธียามิกาเมสุเมจจาจารา เวรามณีติค้าปัตหังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีติค้าปัตังสมาธิยามิ สุราเมระยามัจจพม่าตถานาเวรมณีสิฆาปทางสมาธิยามิเอมานิปัญจสิฆาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทา จีเรณนนิปุติยันตีตัดสมาเชลังวิโสทะเยก่อนนอนทุกวันไปไหว้พระทำวัดยาวก็ได้สั้นก็ได้ที่นี้ต้องรับศีลห้าทุกครั้งศีลห้าก็เรียกว่านิจจศีล ก็รับประรัตนตรตั้งน้ำโมได้รับพระรัตนาตรารับพระรัตนตรเสร็จแล้วก็รับศีลทุกวันอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดทำอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันขี้เกียจว่าโอ้วันนี้งานหนักเครียดเหนื่อยบอกตัวเองว่าถ้ามึงนอนแล้วก็หลับตายไปนล้มึงก็ไม่ได้รับศีลดิ ตายโดยไม่มีสีลดิบตกในรกสินี่บอกมันอย่างนั้นบอกมันอย่างนั้นเมื่ออย่างนั้นมันดีกาอยู่เรื่อยอุทธรอยู่เรื่อยเลยกิเลสเนี่ยมันจานานในการอุทธรในการดีกาเนาเพราะฉะนั้นต้องต้องทำให้ได้อันเดียว จบนะครับขอขมาพระรัตนตรัยกับครูบาอาจารย์ว่าตามครับรัตนาเตเยปมาเทนะทวารัตเยนักตังสัพพังอัปราทังขมทุนโนพันเตอาจริเยปมาเทนะ ทวารตเยนกตังสับพังอปราทังคามทุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอากุศลอันข่าพระเจ้าได้ประมาทาพลาดพลั้งล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งจำได้หรือจำไม่ได้ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้ขอให้ท่านโปรดรุโทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อไม่เป็นบาเป็นเวรแก่ข้าพเจ้าต่อไปในการเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพาน เช่นกันนะครับทุกทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติก็อาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินกันบ้างก็ขอขามาขอโหสิกรรมให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกัลยาณมิตรเดินทางกันต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ อะราหังสัมมาสัมพุทธะพักวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตพักขวตาธโมธรรมนามามิ สูปติปันโนภควโตสาวกัสังโคสังขังนะมามิ